พวกมดพวกนกนี่ไม่ค่อยมาต่อแย่เท่าไหร่แต่มันไปแพ้ทางมแมลงเล็กๆนะชื่อว่าตนเบียนตัวเล็กมากมันเข้าไปเจาะมันจะไปต่อยที่ท้องนะของเต่าท้องแล้วก็วางไข่แล้วพอตัวอ่อนมันฟักเนี่ยมันก็แทงทะลุเข้าไปในท้องแล้วก็กิน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 ไอ้แตนเบีย้ยนี่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์นะที่จริงเป็นโทษด้วยซ้ำนะเป็นอันตรายต่อชีวิตของมันแต่มันก็ปกป้องนะจงกระทั่งแตนเบีย้ยนเติบโตกลายเป็นแมลงส่วนเต่าทองก็ตายนะแล้วก็เพราะว่ามันมีพฤติกรรมทนมองนี้กับสัตว์หลายชนิดนะซึ่งธรรมชาติของสัตว์เนี่ยมันต้องอยู่เอาตัวรอดนะจะต้องหนี ศัตรูแต่สัตวหลาชนิดเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมตรงข้ามก็คือว่าเดินหน้าเข้าหาศัตรูนะที่ตั้งใจจะกินมันอย่างเช่นมันมีปรสิตที่ตัวเล็กๆที่รียกว่าพลาสโมดีมเนี่ยถ้ามันเข้าไปในในตัวหนูเมื่อไหลเนี่ยหนูนี่ก็จะมีอาการเพี้ยนนะหนูนี่ปกติเป็นกลัวกลัว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 พฤติกรรมแบบนี้กับสัตว์หลายชนิดนะอย่างเช่นอตัวจิ้งรีดเนี่ยจิ้งรีดปกติเนี่ยนะมันกลัวน้ํำนะแต่ว่าพอมีพยาชนิดหนึ่ ง, ช, งชื่อว่าพยาขนมาเนี่ยเข้าไปในตัวมันเนี่ยนะมันจะไม่กลัวน้ํามันจะโจลลงไปในน้ําเลยและในน้ํามีอะไรรออยู่นะก็ปลา อ่ะปลารออยู่ปลาก็ไปฮุบนะกินจิ้งรีดแล้วไอตัวพยาธเนี่ยมันก็จะไปโตในท้องปลาแล้ววันดีคือดีมันก็ออกมาแล้วก็เข้าสู่ตัวจิ้งรีดอีกครั้งหนึ่งนะเป็นวงจรอันนี้มันก็คล้ายๆกันนะคือมันก็บังคับให้จิ้งรีดเนี่ยนะทําในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวมัน ก็คือโจลงน้ำเพื่อได้เป็นอาหารของปลาแล้วก็เพราะว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยกับสัตว์หลายชนิด เ, เช่นตัวออดก็เหมือนกันนะตัวออดตัวออดนี่มันก็พอมันเจอพญาตพญาตตัวแบรนเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการวิปริตเพียนเน้ยนนะว่ายเข้าไปให้นกย่างเนี่ยนกย่างกินนะปกติมันต้องหนีนต้องคอยหลบนกย่างแต่พอ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 มันไม่ต่างจากไอตัวพลาสโมเดียัมนะหรือว่าพวกพญาธินะที่มันเข้าไปในตัวสัตว์แล้วก็ทําให้สัตว์เหล่านี้เนี่ยมันมีแต่ทํำลายตัวเองไอ mm. ผีนะผีเล่าผีพ น, นันเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงถ้าดูให้ ก, กว้างๆแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่เฉพาะผีเล่าผีพ น, นันเพราะถึงแม้คนที่ไม่ได้กินเล่าไม่ได้เล่นการพ น, นันก็อาจจะมีพฤติกรรมแปลกๆนะ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 หรือว่าความหลงแล้วเมื่อใดก็ตามที่ถูกครอมงามด้วยมาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราทำในสิ่งที่คนปกติหรือว่าคนที่มีสติอ่านะสัพพัญญะเขาไม่ทำกันเช่นเวลาโกรธนะเวลาโกรธก็ทำร้ายเข้าของนะทำร้ายเข้าของไม่ใช่ของใครนะของตัวเองนะหรือว่าอา่าเข้าไปหา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 มันจะได้หายทุกข์แล้วก็จมเข้าไปในะในหนทางความเสื่อมนะคำว่าอบายมุนนี่แปลว่าประตูสู่ความเสื่อมสู่อบาย <c oughs> อบายเนี่คือ น, นรกนะหรือว่าความเป็นเปรตความเป็นสุรกายนยะไม่ต้องรอให้ตายนะก็สามารถจะตกอยู่ในภาวะนั้นได้ก็เพราะว่าความนะ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 มาครคลองใจได้เพราะเราหลงมารเนี่ยนะเขาแปลว่าสิ่งที่ฆ่ามุดใ ห, ให้ตายจากคุณธรรมความดีหรือว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้คนเราทำความดีนะอันนี้เรียกกิเลสมารนะมามีหลายอย่างนะมารที่เป็นเทวดาก็มีนะเทวดปุตตมานะเทวปุตตมานนะมารที่เป็นขันนะ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 ชื่อเสียงเกติยนะเรียกว่ามีความลืมตัวนะเพราะว่าไปหลงในอปริญญาบัตรหลงในความรู้หลงในชื่อเสียงเกติยตฐานะตําแหน่งนะลองดูดีๆนะคนเราเนี่ยนะคนเราจะเจริญก้าวหน้าได้ก็เพราะว่าสามารถที่จะรู้มากกว่าหลงหรือว่าตัวรู้เนี่ยมันมันก็เข้ามา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 พอเกิดผัสสะขึ้นมาตาเห็นรูปหูได้ินเสียงนี่มันนะมันเข้ามาเลยนะแล้วมันก็พาใจเราเนี่ยเตลดเิดเปิดเปิงไปคิดโนดคิดนี่หรือไม่ก็เกิดความไม่พอใจทําไมถึงมีเสียงดังอย่างนี้ทําไมถึงมาคุยกันนะเสียงดังจังเลยนะี่มีความไม่พอใจยินร้ายหรือมีความคิดปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆความหลงเนี่ยมันคอยโชว์โอกาสนะมา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 อยากจะรู้นะทําเพราะอยากได้อยากเอาอยากมีเนี่ยอันนั้นแหละก็เรียกว่าหลงแล้วนะมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมันไปหลงอยู่กับอนาคตอยู่กับผลที่ยังไม่เกิดขึ้นพอใจเราอยู่ไม่อยู่กับอนาไม่อยู่กั บ, анные, กบปัจจุบันไปอยู่กับอนาคตเนี่ยมันก็หลงแล้วนะหรือว่าทําด้วยความอยากนะพอาทําด้วยความอยากเนี่ยไอ้ความอยากนี่คือตัณหาพอตัณหา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 ระ ล, ลึกขึ้นมาได้ว่ากำลังทําอะไรอยู่หรือว่าใจมันลอยหรือว่ามีอารมณ์โกรธนะมีความเศร้านะก็เกิดระลึกขึ้นมาได้ว่าอตอนนี้อยู่ที่ไหนนะเกิดความรู้ตัวขึ้นมาไอ้ความระลึกขึ้นมาได้แบบนี้เนี่ยมันถึงแม้ว่าจะไม่สามารถจะเจตนาทําให้มันเกิดขึ้นได้นะ